นั่งตามสบายของใครของเราเนี่ยแล้วก็นั่งหลับตาลงอย่ามามองดูปากของผมก็ด ด, ดูดวงจิต ด, ดวงใจของใครของเรานี่พวกเรามาฟังนี่ฟังข้อวัดปฏิบัติที่พวกเราจะปฏิบัติเรื่องการ ศึกษาความรู้น่ยมันมันฟังมานานแล้วหลายปีแล้วคงจะรู้ไปมากแล้วทาําตหลอกตำราในปริยัติปริยัตยิ ป, ตปฏิบัติปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปริปฏิเวทคือคือปฏิเวทธรรมคือผลของการปฏิบัติเรียกว่าปฏิเว ท, ทีี่ท่ทํา ปฏิเวทธรรมอาศัยปริยัติและปฏิบัติสองอย่างจะฟังเอาความรู้แล้วกับไปถามกันไปถกไปเถียงกันไปต่อร่อต่อเถียงกันไม่มีประโยชน์ฟังแล้วเข้าใจแล้วไปประพฤติไปปฏิบัติน้อยมากแล้วแต่สติกำลังของใครของเรา คำว่าเหตุมา ก, มากผลของการปฏิบัติมันก็จะให้ผลมากเหมือนกันให้ดูเหตุการกระทำคำว่ามากในที่นี้หมายถึงให้มีสติรละลึกรู้อยู่และสัพพะสัญญาพอมรู้ตัวที่นี่ก็ <c oughs> เบื้องต้นก่อนจะแสะดงโดยปกติธรมธรมธรรมชาติหรือทันจะ <c oughs> ตั้ง น, นโมก่อนแล้วก็จะยกสุภาสิทธิขึ้นพริได้พริหนึ่งขึ้นมาอันนี้ทรมะป่าที่หลวงปู่ปฏิวัติมาบางทีก็ไม่ได้ตั้ง น, นโมเอาเลยคำ่ว่านนโมในที่นี้ก็ถ้าเราแปลออกมาขยายออกมากว่าน น, นโม ความนอกน้อม น, นี่หมายถึงพวกเรานี่ไหว้ไหว้วีดาไหว้มันดาไหว้พระพุทธเจ้าคำ ว, ว่าหน้าโมหน้าสวสดแสดงถึงแม่ของพวกเราหน้คือน้าคือแม่โมคือพ่อคือดินน้โมตัสสะพระคัมาโตพระคัมาีโตอันว่าพระผู้มีพระภเจ้า อระหะโตท่านเป็นพะระอรหันต์สัมมาท่านตัดสรูชอบแล้วสัมพุทธทัสสะทัศน์ทัศนะท่านเห็นชอบแล้วท่านเห็นอะไรท่านเห็นของจริงของจริงคืออะไรสิ่ของจริงคือทุกข์แลวพวกเรามีไ้มทุกข์ ถ, ถ้าพวกเรามีทุก ก็แสดงว่าพวกเราวีของจริงนี่นะจังว่าตั้งเห็นทุกหนึ่งเห็นสมุทัยเห็นทุกเกิดคือตัวตัณหาหนึ่งเห็นนิโลดคือความดับทุกหนึ่งแล้วก็เห็นมรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกหนึ่งอะไรหลับเป็นมรรคหนึ่งทุกนี่หลับเป็นมรรคหนึ่งสมุทัยเห็นทีุ่กเกิดอนี่หลับเป็นมรรคหนึ่ง นี่โลดคือความดักทูกเนี่ยเป็นมักเป็นหนทางเข้าไปดักทุกเพราะฉะนั้นท่านจะให้เมื่อทุกเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นท่านให้ดูท่านให้ศึกษาให้สายปฏิบัติอืแต่ว่าเบื้องแรกเบื้องต้นต้องศีลก่อนต้องรักษากายนี่เป็นจพูดคุยบอกเขาจะให้เขาคุยกันนะอย่าหงุดหงิดงงเนี่ย รักษากายไม่ให้มีโทษรักษาวาจาไม่ให้มีโทษรักษาจิตใจไม่ให้มีโทษให้วาจาปกติกายปกติวาจาปกติกายก็สงบวาจาก็สงบจิตใจก็สงบก่อนจิ่งปฏิบัติต่อไปสิการปฏิบัตินั้นพวกเราคงจะเคยได้ศึกษาจากครูจากอาจารย์มามากแล้วผู้ใดเคยทําอย่างไร ก็ให้ทำเหมือนเดิมเลยละ่ะแต่อย่าแต่ว่าอย่าไปเปลี่ยนอย่าไปเปลี่ยนทําให้มันมา ก, มากทําให้มันมากเมกืม่อมันทํามากเหียดมันมากเดี๋ยวมันก็จะรับผลเองเพราะฉะนั้นว่าไอ้หนทางที่เข้าไปดับทุกข์ก็คือทุกนี่ละสมุทัยนี่หละนี่โลดนมันเป็นมรรคเป็นหนทางเข้าไปดับทุกข์หลังจากนั้นท่านที่ทําให้มันมากจเจริญทํามันยิ่งให้มีสติ ให้มาปฏิปักมาปฏิบัติทำสติให้มันแจกล้าให้มันมาเข้ามาเข้าทําเมื่อมันมีสติมากสติก้าปัญญาไม่ก่อจะกะ้าเพราะฉะนั้น ส, ส, ส, สติสติส ต, สติคือความระลึกลู่เนี่ยสติก้าปัญญาสว่างสติจางแสงสว่างไม่พอเหมือนตะโรฝาดตังนี่สติก็คือตัวฟูรู้คือดวงจิต ด, ดวงใจนี่แหะ เพราะฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแปดมืนสี่พันพระธรรมขันธ์เพียงยอยอดสรวปแล้วก็มารวมอยู่ธรรมะพ่อเดียวนี่ล่ะคืออะไรคือสติเหมือนท่านเทียบเท่ากันกับเท่าเท่าสัตว์โลกสัตว์ทั้งหลายแหลรอยเท่าของมัน ก็มารวมกันอยู่ที่รอยช่างเพรสร้างรอยช่างใหญ่กว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ก็มารวมอยู่สถติตัวเดียวนี่ล่ะคือตัวรู่นเพราะฉะนั้นมาสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาให้มัธยติก้าปัญญาก้าเนี่ยมันจะมาผลักดันจิตใจของพวกเราเให้อย่างเข้าสู่ความสงบ เมื่อจิตใจอย่างเข้าสู่ความสงบได้ผู้ใดปฏิบัติให้จิตใจอย่างสงบเข้าไปถึงภพภูมิของจิตจริงๆเนะ่ยมันจะมีความรู้สึกว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันจะแยกออกจากกันทันทีไม่มีใครบอกมันจะรู้เองเห็นเองปัด จ, จะต่างท่านว่าจะรู้เองเห็นเองเนี่ยนี่พวกเรามันไ ม, ไม่เห็นตนก็มายึดเอา ก้อนสกุลละกายนี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่หรอก้อนสกุลละกายนเป็นเป็นอ่าอ่าเป็นอ่าเป็นมหาพุทธลูบรูปใหญ่มีธาตุทั้งสีดินน้ำไฟลมรวมกันหนึ่งเป็นก้กุลละกายนธาตุทั้งสี่ธาตุดินอยู่ตรงไหนธาตุดินก็มีผมผลแลบฟันหนัง เยี่ยนกระดูกเยี่ยในกระดูกตบปอดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่านี่คือธาตุดินธาตุน้ํามีน้ําดีน้ําทะเลน้ำหนองน้าเลือดน้ําเงื่อน้ํามันข้นน้ําลายน้ํามูดน้ําไข่ข้อน้ํามูดนี่นี่คือธาตุน้ำธาตุไฟกะให้ความอบอุ่นธาตุสมาชีตั้งอยู่ได้ไฟยังกายให้อบอุ่นไฟยังกายให้สุดโทม ไฟยังกายให้กระบฏกบวายไฟเผาอาหารให้ย่อยที่นี่ธาดลมลมเพื่อนลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลมเบื้องล่างลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าออกนี่นี่ของสี่อย่างเขาเนี่ยนะทีนี่ถ้าเขาไปถึงความจริงจริงแล้วที่นี่ ธาตุทั้งสีดินน้ำไฟลมนี่ไม่มีเจ้าของเป็นของกลางของมีประจำโลกนี่ดินภายนอกกับดินภายในอันอย่างเดียวกันที่นี่ถ้าจะยกให้มีเจ้าของที่นี่ธาตุดินนจะเป็นสมบัติของบิดาธาตุน้ําจะเป็นสมบัติของบรรดาเป็นคุณของบรรดาเป็นคุณของบิดาเพราะฉะนั้นเวลากล่าวเมื่อกี้เนี่ย นโมตตะพะตระกวาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสัตว้พ่อไหว้แม่ว่ายอ่าว่ายพระพุทธเจ้าอเี น, นะเพื่อจะปฏิบัติจะตามหาตนของตนนั้นมาเจอเมื่อตนเจอตนของตนรูกตนของตนแล้วจะแล้วกพิเศก่หาวิทางหาหวัวทางจะทิ้งร่างกายทำํำไรจะทิ้งได้เนี่ยสรุปเรื่อง เพรานั้นท่านจะให้มรคนมาคิดพิจารณามั่งมั่งกายเรียกกายว่ามันมีความสุขความทุกข์อย่างไรบ้างหรือมันมีแต่สุขอย่างเดียวบหรือจะมีแต่ทุกข์อย่างเดียวหรือมันมีอะไรที่คนคั่วพิจารณานี่ท่านให้รู้ให้ใส่สติใส่ปัญญาคนขคั่วว่ามันมีอะไรอยู่ในร่างกายถ้ามีธาตุสังกีดินน้าําไฟลมดินน้ําไฟลมเนี่มันเป็นส่วนตัวหรืไม่ไม่ใช่มีดินก็เคยินมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตนไม่ใช่ดวงจิตดวงใจ น้ำก็คือน้ำไม่ใช่ดวง จ, จิตดวงใจไฟก็คือไฟไม่ใช่ดวงจิตดวงใจลมก็คือลมไม่ใช่ดวงจิตดวงใจเนี่ยรูป ก, ก็ไม่ใช่ตนของตนเวทนาความสุขความทุกข์นี่ก็ไม่ใช่ตนเนีย่ยสัญญาความจําได้หมายรู้ ก, ก็ไม่ใช่ตนทั้งแานของปุ่มของแต่งของคิดของเนื้อีใจใช่ใจรักสังโกหลงเถ่านี่ก็ไม่ใช่ตนวิญญาณความรับทราบตาหูจมู ก, กร่างบริ่นกายใจอืก็ไม่ใช่ตนนี่ แล้วบ้างมันไม่เชี่ยงมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าเทศให้พระพุทธเจ้าวกี่ทั้งห้าบอกว่าอนัตตาคําที่ว่าอนัตตาเป็นภาษาบาลีว่าอนัตตาเนี่แปลว่าของไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเรียกว่าอนัตตารูปังอนัตตาคือรูปร่างกายนี่เวทนาอนัตตาความเจ็บปวดโลเล่เนี่ก็ไม่ใช่ตนสัญญาอนัตตาสัญญาก็ไม่ใช่ตัวตน สังขารานาตาสัางขารก็ไม่ใช่ตัวตวนวิญญาณังอนาตาวิญญาณของเราทราบตาหูจมูกลิน้นกายใจก็ไ ม, ม่ใช่ตนเป็นอนาตาเหมันกันอระพระพันเจ้ากี่ทั้งห้าท่านกําหนดตามเพราะว่าพุทธเจ้าแสดงไปท่านถามว่ารูปังานาตารูปจาริหลังปีฆเวอตาภวิตนในยังบูฟังอบาทาัยยะสังวัตยยัน มันมันเกิดเปท น, นาคืออาพาธรูไปยรูปัญญาที่ดังผิดกระเวออัตตาภวิษะนั้นยังรููปังอับบาทยาสังบัตยะตัตมารูปังอับบาทายะสั้งบัตตินั้นมันไม่เที่ยงมันแปลกวนเปลี่ยนแปลงมันทั่านว่าได้รูปังนิจจังว่าอานิจจังวา่าติพระพุทธเจ้าถามพระพุทธศาสนกว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้า ดูฟังนิจนนจังบาอา น, นิจจังบาติอานิจจังพันเตนตอบแล้วมเมื่อมันไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์กุขังพันเตนเป็นทุกขพระเจ้าข่าเมื่อเป็นทุกข์แล้วที่นี่มันใช่ตัวตนหรือไม่ไม่ใช่เจ้าข่าพระพุทธเจ้ า, าก็เมื่ตามไปตามไปจนเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงทำจบลงพระประจับเมื่อกีตะห้าก็ได้สมเร็จเป็น พ, ะ ร, ร, พระอรหันต์เพราะว่าเบื่อหน่ายให้คงกันรูเพราะเบื่อหน่า นิพพิธาความเบื่อหน่ายคลายความกำนัดยินดีในลูกเนี่ยจว่ารูปธรมิงปีนิบินนติเวทนาจะปีนิบินติสัญญาจะปีนิบินนติสังขเรสุปีนิบินติวิญญาณธรรมิปีนิบินนติเ น, น่ยเบื่อหนายลูกเบื่อหนายเวทนาเบื่อใน่สัญญาเบื่บนนบอห น, น, น, น, นสังขารเรบื่อหนายวิญญาณเมื่อเบื่อเบื่อในายมันก็คลายความกำนัดยินดี เมื่อคลายความกำเนัดจินดีเหตเมื่อกับพ้นเนี่ยพ้นประจักษ์ที่ไหนหลักกินกัพ้นประจักรูปเดิมนี่แหละพ้นประจักรูปพ้นประจักษ์เบทนาพ้นประจักษ์สัญญาพ้นประจักษ์ขั้นขานพ้นประจักษ์บิญญาญยังว่าเบือนะ่อหน่ะยจิว่าอลงท่าจะรูปรัตตมิงปีนิบินดาตีนิปิธาความเบือ่ออย่างรูปรัตตมิงปีนิบินดตี เวทนาจะปีนี้บินเดตสัญญาณเจปีนี้บินเดตสังคเรสุปีนี้บินเดตีวิญญาณสมิงปีนี้บินเดตนิบินดังวิลัชจะตวิลากาบิมุตจะตีบิมุตตาสมิงบิมุตตามีทิญญาณังโหกตีขีณาชาติพุทติตังพรหมจักรียังกตังกรณียังนาพลังศิษย์ตาญาติปชาณติตเหนื่อยเบื่อหน่ายคายความกำหนัดจินดีเกิดญาณความรู้ขึ้นมาจิตไม่ก่อล อิรามาโบจะฟะกวะอัตมานาปัญจวกิยาผีคู่ฟักวะต่อพาสิตังเงผีดันดุงอิมัจเมจจาปนาเวยกาละรรมิ่งฟันญะมาเนปัญจวกิยานางผีคู่นังอนุปัายะอาสะเบหิจิตตาณิบิมุจิงสุตินิบิมุตคือความหลุดพ้นนั่นจิตพ้นจิตใจเป็นเด็กกระเทศเลยพ้นจากเอ อ่าพ<บ>ุจ้ากมเกือบก้มเกีิก้เกิดคุปตยเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะจิตที่มันจะควรทําไม่มีอีกแล้วไม่มีกิจจพึ่งทําอีกแล้วนี่ท่านแสดงให้อพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าฟังที่นี่อขั้งที่สองสิ่งท่านไปไปไปเทศตรวจสะดินสามพี่น้องสะดินสามพี่น้องอาพูกพี่คนที่เป็นพี่มีลูกศิษย์สี่รอย น้องสายสองคนมีลูกศิษย์คนละสามรอยรวมกันเป็นพันสามองที่ประเทศให้ที่สามพี่น้องพวกทั้นปฏิบัติบูบชาไฟไปทำคงเพียนเอาไฟเอาไฟบูชาบูชาไฟทางนอกที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอันนั้นเปไฟนอกพระพุทธเจ้าท่านให้ดูให้ดูไฟไฟภายในที่มันเกิดขึ้นจากตาจะบอา ท่านเทศอดีตาปลิยาอาทิตะปริยาญาสูตรอาทิตะอาทิตเป็นว่าคงร้อนอาทิตาปริยายสูตรนี่ว่าขึ้นขึ้นกันแล้วก็กกตนตนอดีตาสูตรพระสูตรอดีิตาขึ้นขึ้นจะว่าจักจจักคุ้งจักคุ้งหมายถึงตาจักคุ้งผิกะเวอาทิตาอาทิตาจักคุ้งผีกะเวอาทิตา ตากับเป็นของร้อน ร, อรูปอาลูปาดิตารูปก็เป็นของร้อนรูปทุกอย่างที่มากระทบกับตารูปกับเป็นของร้อนตาก็เป็นขงร้อนที่นี่ท่านาท่านท่านว่ามันร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟไฟอยู่ที่ไหนลาคขีนาโดสขีนาโมหขีนาไฟคือราคาความกำนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัส ไฟโทสะความโกรธไฟโมหะความหลงมึดตื้อตื้นเนี่ยตัวเนี่ั้งัป็นนี่จบวบลักขีนาโดสักขีนาโมหะีนาอริตังอะริตังทำให้เกิดชาติชลาพริธิมรนะชาติยาชารามลเนนะโสเกหีปลเกเวหิลุเกหีโดมันเจหีอุปยาเจหิอาริตังตีวราบินี่นนีนตากรบูกมันี่นนนนนนโสตังอริตังหูกเพรงของร้อนสัทธาิตา เสียงอ่ะศรัทธาคือเสียงศรัทธาดิตาเสียงก็เป็นของร้อนศรัทธาดิตาโซโซโซโซตังโซตังอริตังศรัทธาดิตาโซต้บิญญาณังบิญญาคือความรู้โซต้าบิญญาณังอริตังโซต้สัมผัสตัวอริโตสัมผัสยำปีดังโซตาสัมผัสสปัสยาปัสติเวรอิตังสุขขังวาดุขขั้งวาอดุกมรสุขขังวาตัมปีอริตังนี่ทั้งสุขทั้งทุกข์แกนะอริตัง อดิตังมัทุพภะไรลาภัชชีนาโดสักชีนาโมโหหะชีนาอดิตังที่นี้ก็โมตตากับงูระกจะมู ก, ก็เหมือนกันจะงู ก, ก็เหมือนกันลื่นก็เหมือนกันเี่ยเป็นไฟพอราคาโทุษามโหหะเหมือนกั น, านกายก็เหมือนกันมโนคือจิตใจก็เหมือนกันจังหวะเจ้าจวันเกิดเกานี้พิธาควมเหมือจังหวะจังหวา จกักขุดสมิงปีนี้บินดาตีเบ <pr ื่อในนี่เกิดที่พิธาความเบื่อจักขุดสมิงจักขุดสมิงปีนี้บินดาตีเบื่อในตาจักขูวิญญาเนปีนี้บินดาตีจักขูสัมพัทส์ปีนี้บินดาตียำปีดังจักขู่สัมพัปฏยาปัสยปิีเวราจีตังสุขังวาดุขั้งวาดุขมาถุขั้งวาตัดสมิงปีนี้บินดาตีสินี้กาโซตัดสมิงปีนี้บินดาต สัตเดุปีนีบินหนตีโซตาดปีนจเนปีบินนาตีโตัสัมผัสปีนบินนาตยำปีดังจะู่สัมผสจับปัจจุปีดังโสตดสัมสับปัสยาปัตตีเวรยิตังสู่ข้างว่าดูข้างว่าอะดุขมาสูข้างว่าตัดสมิปีนีบินหนตีนขาณสมิงปีจมูกที่เขาขกินขานัสมิงปีนีบินนาต อ่ากันเสุปีนิบินนาติคานาบินญเนปีนิบินนาติคานาสัมปเทสปีนิบินนาเตยมปีดังฆานาสัมปสะปัตสยาปัตติเบดาจิตังสุขข้างว่าดูข้างว่านูข้ามวาสุขขางวาตัดมิปีนิบินนเตยชิวห้ายปีนิบินนาติลินชิวห้ายปีนิบินนาติละเสสุปีนิบินนาติชิวห้าบินญาเนปีนิบินนาตยิวห้าสัมปเสปีนิบินนาเยมปีังชิวห้าสัมปสสปัตยาปัตติเบดาจิตง สุ and life and life. ่ข huh, tamam. ้างวาดูข้างวาดูขมาสูข้างวาตัดสมิ้ปีนิบินนาตีกายทีีกายตสมิ้ปีนิบินนาตีผัทะเบยุปีนิบินนตีกายยาินญาเนปีนิบินนตีกายยาสัมพัสสปีนิบินนตียำปีนังกายาสัมพัสสัยาปัติเวดังูขงวาูขงวาขมสู่ขางวาตัสมิปีนิบินนตที่มโนคือีใจบันมานตสมิปีนิบินนต ทำเมธุปีนิบินติมโนวินญเนปีนิมินติมนสมบัติปีนิบินติยัำปีนังมนุสัมปัสสะปัตติยาปัสติเวไดยิตังสุขังวาดุกขังวาดุขมาตุขั้งวาตัสมิงปีนิบินตินิบินดังวีรัจติเตวิรากาวิมุตติเตวิมุตตัสมิงวิมุตตามีติญาณังโหติขีนาชาติ วูสีตังพรหมจาริยังกัตังกัลลินิยังนาปลังอิสตายาติปะชานาติติอิดมะโวจะพังกวาอัตมนาเตภิกขุภะคะวาโตพาติตังอาภิอภินันดุงอิมัะมินจะปะนะเวยากรณัสมิงม αι, พัญญามเนตัสภิกขุสหัสสัสอาสเวหิจิตตานิวิมุตจิงสุติปิมุตคือความหลุดพน้น พ้นประจากที่ไหนพ้นประจักตาพ้นไปจากหูพ้นปรจักรลูกพ้นไปจากรลิ้นพ้นประจักกายพ้นประจากจิตใจอันที่มันลุ่มหลง อ, อนันจิตใจที่ลุ่มหลงีท่านให้ชื่อว่าตัวอาวิชาเนะจ้ว่าอาวิชาคือความไม่รู้ความหลงแล้วจะถามว่าอาวิชาอยู่ที่ไหนก็จิตใจของพวกเราเนี่ยที่มันหลงท่านให้ชื่อว่าตัวอวิชาแต่ว่าอาวิชาปัตยาสังคาราเมืม่อมันมีอวิชาแล้วมันถึงปัจจัยให้เกิดสังขาร สังขารกมาึงสังขารจิตใจและสังขารร่างกายเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงวอภิชาปัจจาสังคาลาสังขาราปัจจะบินญาณังบินญาณาปัจจะนามาลูกังนามาลูปาปัจจะเจลาเจตังเจลาเจนาปัจจะพัททวพัตตาปัจญาเวรนาเวรนาปัจจาตันหาตันหาปัจจาอุปนันตงอุปนันปัจจะภาวะภาวะปัจจาชาติ ชาติปัญยาสลามมารดังโสกับปาริเดวาดุขดมนณสูปายาสานิลุดสั้นอาชาสัมพวันติเอวมเมตตาเกวลาตาดุก ข, ข, ขันทะสัมุดโยโหติตัวอวิชช า, าจะสังขารสาราจะนับพัสสะโสกะประเทศอุปสัรคาสทกซาาพระีมันเป็นตัวส ม, มุทัยเป็นเหตุ ท, ทุกข์เกิดที่นี่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไปที่นี้กว่า เมื่อผู้ฟังผู้ปฏิบัติํานวนตามไปอมันเบื่อในค่ายความกำหนัดที่ไนใช่ไอาวิชชาเจตเววะเสสวิลางานิสรฆาลานิโรธนิโรโรธ ค, ค, คือความนิโรธคือความดับทุกข์ อ, อ, อ, อ, อวิชชา อ, อ, อ, อวิชชาเจตเววะเสสวิลางานิสฆาลานิโรโธสรฆาลานิโรธาวิญญาณานิโรธ วิญญาณิโรธานามาลุปานิโรโธนามาลุปานิโรธาฉลายตนะิโรโธสลายเยตนะนิโรธาพัสนิโรโธพัสนิโรธาเวเดนานิโรโธเวเดนะนิโรธาตัณหนิโรโธตัณหนิโรธาอุปุตานิโรโธอุปุตานิโรธาภาวนิโรโธภาวนิโรธาชาตินิโรโธชาตินิโรธาฉรามรณงโสขปิเดวุคขโดมันสุปยาซานิโรสันติเอวเมตตะ เกวราษาดูกรขั eating, heart, health, ้นชัตซะนิโรโทโหตินิโรธก็ไปวัฏขความดับผุกดับที่ไหนดับมันเกิดที่ไหนมันเกิดดับที่ไหนดับที่หูดับที่ตาดับที่หูดับที่จมูกดับที่ริ้นโดดับที่กายได้ดับที่ใจมันเกิดที่นี่มันดับมันเกิดที่นี่มันเกิดดับที่นี่อื่หนึ่งท่าจิตใจมันลู่เลยเมื่อมานลู่เลยมันจะดับเองของมันมันจะรู้เองเห็นเองปฏิตัณกลู่พบไปหนอยเนี่ย เราพวกเราอย่ามองข้ามตนเองว่าเรานี่บุญน้อยมาานาน้อยเป็นคารวะญาติจุมไม่ใช่ฐานะพวกเราผู้ประพฤติปฏิบัติเรื่องอะไรมม่กรู้ได้เหมือนกัรทาที่ตะควนลูกคนเห็นประโยกน์แรกก็คือทุกข์นั่นแหละท่านไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ม่เลเว้นนะใครใครใครก็ตาม ข้าราับบาตรก็ตามผู้ออกประพฤตปฏิบัติปีพิศุทธ์สามมันเอก็ตามสมณศีความเท่าไรอะก็ตามไปเหยียบไฟนี่เบ้นไหมจับไฟนี่เบ้นไหมมีใครไม่ร้อนมีไหมนัม่นม่ร่อนได้เหมือนกันไม่ทุกได้เหมือนกันไอตัวทุกข์นี่ละ่ะเป็นสัจธรรมของจริงของพระอริเจ้าอริยะแปลว่าประเสริฐ ัจะแปลว่าของจริงจริงอะไรที่นี่จริงทุกจริงทุกหนึ่งจริงสมุทัยเห็นด้ทุกเกิดหนึ่งจริงนิโรธคือความดับทุกหนึ่งจริงมรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกหนึ่งพวกเราก็ดูได้เหมือนรู้ได้เห็นได้เหมือนเหมือนกันเขาเห็นทุกเพราะว่าทุกกับทุกมันอยู่ด้วยกันที่นี่ที่ท่านปฏิบัติให้ไม่รู้ทั้งสองเงียบ น, นี่แะเหมือนกับพระพุทธเจ้าชลูนพระพุทธเจ้าเห็นทุกจนถึงฉีดแดงด้วเปิดเสีย สุกก็เห็นถึงขีดแดงนั่นถึงได้มาสวรพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราก็รู้ได้เห็นได้เหมือนกันข้างพุทธการก็เป็นฆราวาสญาติโยมเหมือนพวกเรานี่แหละอย่างพระอสุโธธนะพระลาชธวีดาของพระพุทธเจ้าก็เป็นฆราวาสเหมือนพวกเรานี่ได้ <c> <c> สําเร็จเป็นพระอรหันต์อย่างนางกุมงทนเกษีนก็ยังเป็นฆราวาสญาติโยมเหมือนกับพวกเรานี่นั่นเาก็ได้ทำเบ็จเป็นพระอรหันต์ ดีนางกุ้งทนเกศีนได้เอตาคกะพระพุทธเจ้าได้ยกจ่องว่านางกุ้งทนเกศีนี่บรรดาภิกษุณีได้เอตัธคะเป็นเด็กเป็นผู้ที่ได้เส็มาะสาเร็จพระอรหันต์โดยเสียบพันุไปไปฟังเทศของพระสารีบุตรพระสารีบุตรถามว่าหนึ่งไม่มีสองนี่คืออะไรได้แก่อะไรเท่านี้ละ นางกุ้งโทนโเจ็ดีรู้เลยได้สำเร็จพระรหันโดยเสียบพั น, นทำไมถึงได้เร็วถึงขนาดนี้ก็เพราะว่าอดาีตที่ผ่านมาในชาติปางก่อนเขาได้สร้างสมบรมไม่พอแล้วเต็มมันมันเต็มอยู่แล้วพอเทียบกับผลมะม่วงมันถูกงอมเต็มที่แล้วพอจะเอาไาจะเขาจะไปสอย พอไปแตะต่องเท่านั้นยังไม่ทําอะไรมันจะล่วงลงมาเลยนี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสงสัยตั้งแต่วาฒนนาหรือบารมีของเราวัฒนนาเนี่คือการกระทํามันไม่มีทําให้มีได้มันมีน้อยทําให้มากได้ให้มันเจริญเติบโตได้กระเพาะเราทําโดยส่วนมากผู้ที่ปฏิบัติในปัจจุบันเนี่ยพอไปทําแล้วท่นนี่พราะปฏิบัติสมมติว่า ไปนั่งสมาธิภาวนาพอนั่งเข้าไปไปกำหนดเอาสิทธิผลอย่างเดียวเหมือนเปรียบประมาณไปไหมเหมือนกับเขาปลูกมันมันสับปะหลังนี่ล่ละพอปลูกเสร็จแล้วไปขุดเลยขุดเอาห อ, องมันเลยมันเปลี่ยนไปได้ไหมเปลี่ยนไปไม่ได้เว้นไว้แต่ของก่อมีเหมือนนางคุซนเกษีนี่แหละนี่ถ้า ของเก่าเรามีล้ว ก, ก็เริ่มสร้างใหม่หรือว่ามีอยู่เปลี่ยนประมาณแบบไห่เหมือนกับน้าทินน้ำบางคนอันน้ำเปรียบเหมือนกับผลที่ได้รับบางคนก็อยู่อยู่ตื้นๆสองเมตรสามเมตรถึงน้ําแล้วบางคนก็ลึกไปเก้าเมตรสิบเมตรสี่สิบห้าสิบเมตรร้อยเมตรร้อยครัวเมตรนั่นมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะฉะนั้นให้เชื่อว่า มัคคือขอ้อปฏิบัติมีผลตรงในรับแนนอนมัค ก, ก็คือสินสมาธิและกับปัญญาที่นี้ก็สินอั น, นใดสิมสินอั น, นใดสินสมาธิอันเดียวกันสมาธิอันใดปัญญาอันนั่นปัญญาอันใดวิมุตอันนั่นคำที่ว่าวิมุตก็คือความหลุดพ้นคำที่ว่าอันนั่นอยู่ที่ไหนก็คือจิตใจนี่แหละ สิลก็คือถ้ามันเป็นปกติเมื่อมันเป็นศิลล่ะกิตใจนี่แหละเป็นศิลธรรมกิตใจนี่แหละเป็นธรรมเมื่อมันเป็นศิลแล้วที่มันไม่ได้รักษาอยู่เฉยๆมันก็เป็นก็เป็นศิลเพราะว่ามันมีความละอายแก่ใจมันมีความกลัวเกิดอาการเจ็บบับต่อบาปตัวกรรมที่ทามันเป็นศิลเป็นอย่างนั้นไม่ต้องอะไรรักษานั่งยด่ก็เป็นศิลนอนยด่ก็เป็นศิลไปไหนมาไหนก็เป็นศิลพอพอคิดจะทําความัุขคิดจะทำความสุขที่หายเหมือนนี่ มันจะมีสิ่งได้สิ่งหนึมันจะมาสะกิดใจเราให้ลูกให้ระ ล, ลึกลูกขึ้นมาคือตัวสตรีมันจะไม่กล้าทำกับตัวเพราะฉะนั้นท่านจะให้ให้ชื่อว่าทำคุ้มครองโลกทำโลกในทีน่นี้หมายถึงร่างกายและจิตใจของเรานี่นี่คือโลกในถ้าจิตใจยังมายึดมัน่นถือมัน่นร่างกายนี่ว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่นี่ยจิตใจยังเป็นโลกอยู่จิตใจยังไม่เป็นธรรม ที่นี้โลกในคือร่างกายและจิตใจเราโลกนอกคือบุคคลอื่นสัตว์อื่นต้นไม้ผูเขาเทววันกระจายไปที่มองเห็นด้วยตาเียกว่าโลกที่นี่โดยธรรมชาติแล้วีท่านว่าโลกแปลว่ามูสัตว์พร่องอยู่เป็นนิดโลกแบบแปลว่าร้อนโลกแปลว่าวุ่นวายนโลกแปลว่าไฟไฟอยู่ตรงไหนไฟราคา ความกำเนิดจิงดีในรูปผิเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องใผัดไฟโซสาความปวดไฟมัมโมหะความหลงมันเผาอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางคืนทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนแต่มันไม่รู้อาการที่ไม่รู้ทางการศึว่าอวิชาตัญหาเพราะจะนำมามาปฏิบัติทําให้เบื่อหน่ายครความกำหนัดจรินดีทํายังไงมันทีเบื่อหน่ายข้นขึ้นมาทุกข์ยกขึ้นมาทันทุกข์มากๆทันทเจ็บมากๆมันที่ปวดมากๆ เพราะฉะนั้นธรรมะอาจารย์สมุทรเส้นว่าโรขยาปรมาราพาผู้มิโรคเป็นราบอย่างยิ่งวันี้ไม่ธรรมดาเลยธรรมะผ่านผ่านโลคผ่านร่างกายเขาไปผ่านโรกผ่านอันนี้เข้าไปผ่านภูผ่านันนี้เขาไปน่นละราบจะเกิดขึ้นราบคืออะไรราบก็คือจิตใจของของเราอันบริสุทธิ์นี่แหละคือตนทุกตนเพราะฉะนั้นให้พวกเราเนี่ยให้เชื่อมั่นในตัวเองให้ได้เชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาว่าบาปมีจริง บุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงฟอ่อมเฟื อ, อ, อมมกมีจริงสุทธบัติมีจริงน่นนะพระนิพพานมีจริงคําว่าพระนิพพานในที่นี้จะถามว่าพระนิพพานเราจะไปเข้าใจว่าอยู่ในท้องฟ้าอากาศพระนิพพา น, านอยู่ในดวงจิตดวงใจของพวกเราแต่มันยังไม่เป็นพระนิพพานก็คือขมเบื่อนะ่ะทับมาจากนิพิทา พระนิพพานนิพิทาคุมเบื่อถ้ามันเบื่อนายคายความกําหนัดทินดีเมื่อจิตใจพ้นจากพวกนี้แล้วนาระพระนิพพานไม่จะเกิดขึ้นตรงนี้คือคือนิพิทาควมเบื่อเบื่อนายเบื่อนายลูกเบื่อนายเสียงเบื่อนายกินเบื่อนายรถเบื่อเครื่องสัมผัส ที่เบื่อในรูปเวตนาสัญญาสังขารมึงนั่นเบื่อในทั้งหบทที่ที่มองเห็นด้วยตานเบื่อในโลกในสังที่นี่สมมุติบัญญัติที่นี่อยู่ที่ที่อยู่ในดวงกินดวงใจของโวเราจะไม่มีเพราะฉะนั้นพระนิพพานมันไม่มีสมมุติมันอยู่เหนือสมมุติแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยพระนิพพานอยู่ที่ไหนไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ไปไม่มีที่ขึ้นไม่มีที่ลงไม่มีชื่อเสียง ให้ปฏิบัติให้รูเเ้เองเห็นเองของใครของเราบอกไม่ได้ออืจะรู้ได้ไหมไม่ต้องสงสัยขอให้ทเหตุทําม่ขอท่านอะเมือม่อเมือม่อเมือ่อเมื่อเมื่อปฏิบัติต้องเสียสละนะลั่นแหละเสียสละอย่า ก, กลัวตายถึงกลัวแล้วมันก็ไม่ได้ตายจิตใจหนีตายไม่เป็นแตกดับไม่เป็นมีแต่มันหลงมาเกิดอันควนที่แตกที่ดับมันมันเป็นก้อนธาตุต่งหากนี่ดินน้ําไฟลมก็แตกออกจากกันต่างหาก ทำไมมันจางแตกเพราะมันเป็นธรรมธาตุเป็นของแตกแลระกำมันจะมีอายุอีกอย่างน้อยก็เอออย่างมากก็ร้อยปีก็แตกแล้วเมื่อมาแตกมันไปที่ไหนทีเมื่อมาแตกกระดินกรไล่ปัสยูดินท่านไม่เผาอดินปัสยูดินน้ำปัสยูนไฟปัสยูไฟลมปสยลมเราจะถามว่าสัตว์เขาอยู่ตรงไหนทีนิสตโต้ไม่ไม่ใช่สัตว์นิสติโวไม่ใช่สิเวชชุนโยไม่กองว่างเปล่านักนั่นล่ะให้พากันตั้งแต่ปฏิบัติ ตามฮัตตน์โงตรนทำไมไร <exterior> ู้กำไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านได้ว่าผู้ใดเห็นตนผู้นั่นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นพระพุทธเจ้านั่นอยู่ที่ไหนล่ะน้ถ้าถ้าเราไม่เจอไราเห็นน้าที่นี่กันตนของตนก็อยู่ที่นี่บิดาก็อยู่ที่นี่มารดาก็อยู่ที่นี่พระพุทธก็อยู่ที่นี่พระธรรมก็อยู่ที่นี่ ถ้าสรงก็อยู่ที่นี่มันจะวิ่งเข้อหากันมันจะเป็นอันเดียวกันทําำรวดๆนะาานั่นเพราะฉะนั้นจงมาให้มาปฏิวัติทําตนข้อตนให้เป็นตีบึงของตนจมว่าอัตหิอัตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นพต่งของตนโกหีนาโถกเรอศิยาวคนอื่นใครเล่าจะเป็นตีบึงได้นั่นนี่สรุปแล้วที่ดีที่สุดก็คือจิตใจของพวกเราอันบริสุทธิ์ที่นี่ก็ เมื่อการจะต้องฆ่ามิฆ่าไม่เอาใจใส่ปะปล่อยละอาปะอ่าปล่อยปะละเลยปรถินนอกลีดนอกลอยไปเห็นผิดจกทําคําสอนของพระพุทธเจ้าบาปไมมีบุญไม่มีปมีเมื่อไปทำแต่กรมชั่วเสียหายเสียตนของตนไม่มีศีลมีธรรมประจําผิดจําใจเมื่อแตกตายทําลายขันลงไปที่นี่กรรมชั่วมันจะพักดันหยุดใจให้ไปเกิดในภูมิที่ต่ําภูมิที่ต่ำไปเกิดที่ไหนภูมิที่ต่ำไปเกิดในเมืองนาโลก ไปเกิดเป็น เ, เปรตไปเกิดเป็นอสูรกายไปขัดไปเกิดเป็นสัดีิราษานไปนเกิดเป็นผู้ผีปีศาจอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่นฝ่ายกู้สนผู้ดีสร้างคุณงามความดีตั้งต้นเป็นจา ก, การให้ทานการรักษาสินการจเจริญเมตตาภาวนาเมื่อแตกตาทําลายขันลงไปบุญกู้สนนะบารมีบุญกุศลนะจะพักดารจิตใจให้ไปเกิดต่ำที่สุดก็มาเกิดเป็นมนุษย์ อันบดิสุดบริบูรณนี่สูงขึ้นไปไปเกิดสวรรค์หกสั้นสั้นใดสั้นหนึ่งสูงขึ้นไปเหีย ก, ก็ไปเกิดพร ม, มโลกพรมที่หกั้นสั้นใดสั้นหนึ่งสูงขึ้นไปเหีย ก, ก็ไปเกิดในสุดทวารห้าถ้าไปถึงสุดทวารห้านั่นไม่ย้อนกลับลงมาเกิดไปนิพพานนั่นเลยไปสมิปภานที่ที่สุดทวารเดนะ่น่นอรบันเอวังก็มีด้วยปากกาลัสนี <c oughs> ี่พักกันตั้งสัตว์ไว้เดิอขโอวัด่าแหงมันขาดไ <c> ห <oughs> ว้พระสวดมนต์นั่งสมาธมพรมนาน <c oughs> ถ้าไม่ทำได้มากทำน้อยแต่ว่าช่วงนี้ช่วงใกล้จะสว่างตีสี่ตีห้านี่มีครูบาอาจารย์บางลูกท่านสมัยลูกไปปฏิบัติกับท่านท่านว่า ถ้าผู้ใดไปนอนทับช่วงช่วงตีสี่ตีห้าท่านว่าท่านเตือนผ้านเนนนะมันไปทําลายนิสัยของพอระอรหันต์ช่วงช่วงพระพระอรหันต์จะเกิดขึ้นช่วงช่วงช่วงช่วงบ่ายตั้งแต่ตีสองตีสามมันก็จะไปถึงสวรรค์หมายว่านิสัยของพอระอรหันต์ถ้าผูได้ไปนอนทับบนเสวะไปทําทําลายนิสัยของพอระอรหันต์ทาา่านว่า อาจารย์ลุนนี่คือใครคือท่านอาจารย์เพงที่เป็นคู่กันกับท่านอาจารย์จวนอยู่คูท็อท่านไปเที่ยวร่วมกันแรกๆลูกปูได้จำพษากับท่านอยู่ที่วัดธาตุคุณท่านอาจารย์เพงอออกพรรษาท่านก็พาเดินสุดลวงไปเรียฟภาวนาเข้าไปหาท่านอาจารย์จวนอยู่ถ้ำจันทรดงทีสมภูไปนอน เดินไปตามป่าตามดงสมัยอ่อนมิดป่าดงชื้นไปดงเอดงพลาดดงพลาดแล้วก็ต่อไปดงดงศรีสุภูไปทําจันออกจากนั้นทางกระฟาไปขึ้นไปแล้วภูสิงเอาจากภูสิงกับไปภูวัวไปธมูชาท่านก็นไปไปจำพรรษาปีปีพรรษาปีชุดสองอยู่ว่าน โศกกรรมที่ท่าน ป, ประจำภาษาหนึ่งลูกปู่ไป้อยทปกข์ับท่านมันปวดศีรษะตั้งแต่ตอนตอนเศร้าไปถึงจะเป็นสูงขึ้นสูงกันแสมพระที่แตกขึ้นขึ้นไม่จะปวดหนำขึ้นไปเรื่อยก็เลยาลาท่านกลับมาก็เลยปีฟันษาปีศูนๆๆย์สองได้กลับมาจำพรษาที่วัดธาถุเป็นซ้อนกันทั้ง อ่ไปชุดหนึ่งกับชุดสองอินทร์ท่านกจำจําพันศาอยู่บ้านโสกามนันนะ่ะที่นี่ตอนกลางพันศาเนี่พวกคุมเจ้าที่กันมันจะมาล่องให้อยู่รอบๆที่ท่านจําพันศาอยู่ที่ที่เขาจะให้ท่านจําพันศามีพระล่วมกันอยู่เป็นหกเจ็ดลูกอยู่กับท่านมันมาล่อง ร้องขอขอความช่วยเหลือจากท่านสามคืนคืนที่สามมันบอกว่าอให้ท่านอาจารย์ไปเอาของหนีให้ให้ให้ให้ให้ให้ให้ให้พวกผมหนึงของเขาบอกว่ามันอยู่ทําอยู่ท้ํายุงู่อยู่อยู่กลางกลางโคกกลางลงสัครับเรยาเขาบอกให้ไปขุดไปเอาแล้วต้ไปขุดพอไปขุดที่นี่ก็ท่านบอกว่า พวกญาติโยมเป็นคนขุดพวกพาพวกเนมเป็นคนคุ้ยหาพวกโยมเหมือนกันท่านบอกว่าถ้าใครคุ้ยไปเจออะไรเป็นของคนนั่นท่านบอกนั่นแหละประการได้พระกันด า, รนดาพระพุทธพระพุทธูเล็กๆมีเยอะที่เดียก็่าสงสัยเขาจะไปแล้วไปไปเกิดไปกู้เพลี่ยนตัวนั่ะมาไปตีที่นั่นนานแล้วท่านไปไปไปไหนไม่ได้คล่องเนี่ยเพราะฉะนั้ น, น, นพวกเราเมื่อญาติพี่น้อง ร่วมหายตาจากไปของที่มันไม่ละลายยายาเอาไปให้เป็นเป็นของของแถมพวกอ่าพวกไปของของที่ไม่ลายเป็นเงินเป็นเป็นเงินเป็นทองทองคําทองอะไรพวกนี้ยาเอาไปไท่านจะให้จริงๆนอะเอาไปทานให้ให้ให้ให้พระท่านถ้าเป็นอ่าทองเป็นก้อนให้ท่านเป็นหล่อเพราพุทธลูกให้มันดีกว่าไปฝังไม่ถ้าไปฝังไมันไปไม่ได้ไม่คล่องอย่างเงี้ยไ่ตีอ่านี่ตามปรกวัติไอ หลวงปู่มันท่านไปที่ไห น, นพอท่านไปพักปุปป้าที่มันมีเด็กหญิงคนเพนพอเป็นสาวคอตายก็มี ม, มีมีลูกลูกสาวคนเดียวหลักมากที่นี่ก็พ่อตายไปก็เละเอาทองคำให้ไปฝังพอท่านไปพักดีเพิ่งมันก็มันล้องมามาล้องเรียนท่านเพราะเขาความช่วยเหลือจากท่านบอกว่ า, วา ต, ตายแล้ว มาเฝ้อของอยู่ที่นี่แม่เด็กไปผูดที่เกือที่ไหน ก, ก็แก้แคนได้บอกชื่อบท ช, ชื่อชื่ออย่างนั่นบิดามารดาชื่ออย่างนั่นพอสุดท้ายพอสินเจ้ามาท่านไปบินสบาย ท, ที่กระถามมาถามต้นทางที่ถามไปโอบคนชื่อนั่นชื่อนั่นมีไหมอยู่ในหมู่บ้านอานี้ท่านมามีจึงเลบอกว่ามีก็บกแบเขล้วไปไปบอกให้เขาออกข อ, อกไปหาลูปูด่ดูพอท่านกลับมาครับ เขาเคยตบมาเข้าเคยเคยออกกัญญาตันส่งท่านสันมิจฉาบัณฑท่านพักอยู่ในป่าซากท่านก็เลยหาอุบายทามามีมียอมมีลูกกี่คนถามไปถามไปแล้วแล้วก็มีลูกท่านอันนรียังมีชีวิตอยู่บตายไปแล้วตายคนที่ตายลูกที่ตายเขาทิ้งไว้อย่างไรมันจะตรงเขาเขาบอกไว้ทั้งนั้นมันจะตรงกันหมดทุกอย่างที่แล้วท่านก็เลยว่า เมื่อเวลาตาไม่แล้วเอาเอาเอาไปฟังนลยแล้วเอาอะไรให้บ้างท่านถามมีมีของให้บ้างไหมท่านถา ม, มีเอาต้องคำให้ในละล่ะท่านก็จะบอกเพียให้พวกเรานะพูดขึ้นมาสัตลูกเอาขึ้นมาแล้วเอามาขอนละล่ะแ้วก็ของนั่นก็ลูกปูจะเอาไปกรอกพระพุทธรูปให้เขาจะได้เป็นพุดไปเกิดถ้ามีเ่นั้นเข้าไปไม่ได้ก็จะพ่อของอยู่นั่นต่นงนะละ่ะพวกรอหลังจะยาวให้ สมัยหนึ่งไปดูบังอำเภอบางสุพงบ้านบ้านคู่นอนที่เขาเรียกว่าบ้านกบกแล้วก็ไม่ไมใช่บ้านบ้านกบกับบกต่อกันเป็นนั่นะเวลาเขาเป็นเขาลูกเขาเสร็แล้วลุงรูกผูกกับท่านอาจารย์ขบุ ไปดูไปดูไปเห็นเนะเขาเอาไรเข็มคัดท้องหน้าไปเผาไปเผาเสแต่ว่ามันไม่ละลายมันยังเป็นเส้นอยู่ท่านจารย์สมบูรณท่านก็เลยว่าเอออันนี้คู่วา่าจะเอาไปจะเอาไปทำบุญให้เนี่นจะเอานี้ให้เราจะมาตีมกล้องอยู่ที่นี่ให้ไปผู้พ่เกรดได้ท่านบอกนะนั่น อย่าเอาไปอย่าให้มันจะคองเวลาท่านพรพวกเราก็ให้อุทิศแผ่สมบุญอุชชนอีกต่อนึ่งหรือเมื่อหลังจากนี้ไปพวกเราแลิสนึกถึงเวลาใดคณะใดเลาแผ่อุทิศสนบุญนี่ได้สมไปให้เขาลกทิศเราเยนานไปให้นั่น ได้ทุกขณะการาแผ่ส่วนบุญกุศลนี่เราจะเข้าใจว่ามันจะหมดไปสิ้นไปจากดวงจิต ด, ดวงใจของพวกเราเหมือนกับเราตามไฟนี่แ่ะมีเทียนหรือไฟดวงเดียวเมื่อเราแผ่ไปม า, มากไฟหลายดวงหลายหลอดไม่กระสว่างจ้าไปมากของๆองอกไปนั่นแ่ะเพิ่มจว่ว่าบุญคือความสุข ก, กายสบายใจ อุสนคืนนอคงสว่างของจิตของใจคือสติปัญญาให้แพรส่วนมึงไปให้ประโยคแรกก็อโอชิปะให้บิดามารดานี่ลก่อนเพราะว่าบิดามารดาของพวกเราไม่ใช่มีเฉพาะแค่สองคนเท่านี้ผ่านเป็นอดีตมาแล้วมันมากกว่านี้เป็นหมื่นเป็นเส้นแสนก็ได้บางทีเขาไปตกข้างอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วอาศัยพวกเราผู้มีโอกาสมีเวลาได้กระทำมาเป็น แล้วกแไ่อุทิศชวนบุญไปให้เขาถ้าหากว่าเขาเรานั่นไม่สามารถรับข่าวสารนี้ได้กขอความช่วยเหลือจากเทพพยุทเจ้าที่สินสถิตปฏิจจฐานในสกุลนรกรัตนพิพพกนี้ผู้มีหูทิพตาทิพจงนําข่าวสารนี้ไปบอกเก่าให้ท่านเรานั่นทราบเมื่อทราบแล้วขอให้เขาอนุโมทนาภูมิทุกขขอให้มอิสุขผู้มีสุขขอความีสุขประโยชน์ยิ่งขึ้นไปด้วยเชิญมาสิ่ง ตอนนี้เขาเอาชีพไให้พระโยกแล้วก็อาชิพไปให้บิดาบรรดาครูาระอาจารยา์ญาติสนิทพิจารณ์เจ้ากรรมนายเวรพระภูมิเจ้าที่แม่นางธนลนีแม่นางคงคาพระยามัจุราชนายมิริยาบาลได้เท่าจัโกโวรรดิวันทั้งสี่และพระว่าหากษัตริย์ทุกขโพองคไดะสัพพะสัตว์ทั้งหลายโดยลอบสู่ขอบเขตจักรวรรข้างล่างถึงอเวกีมหารกทั้งข้างบนถึงพมรุโลก โดยรอบสูกขอบเกศจักรวันบุญกุศลนันใดที่ข้ามพระเจ้าและกระทํามาทางกายทางจิตและทางน้ําใจในคอของเจ้าขอยกให้พวกท่านทั้งหลายขอพวกท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาเมื่อทราบแววขออนุโมทนาผู้มีทุกข์ขอให้สุขผู้ไม่สุขละขอให้มีสุขเพียรอยยี่ขึ้นไปด้วยเธอเหมืนทำทุกวันจนนะจำไว้ญาติหาวิวะหาปูราปาลีปูเรนติซาการัง เอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังสิปเมวสัมิตตุกสเปปูเรนตุกสังกปาจันโทพันนลโสยถทามิโชทิระโสยะธาสภีติโยวสันตุสัพโหรโควินัสโตมาแต่ภวัตวันตะระโยสุขีทีคายุโภภวะอภิวาธนาสีลิจานิจังอุทธาปชาญีโน จัตตโลธรร ม, มวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภะรัง